๖๖อาชะติกะทุกะงปฏิจจวาระงปัจญานุโลมงวิพังควาระเหตุปัจจัย๓๑๘สภาวธรรมที่เป็นภายในอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะกระตัตตารูปที่เป็นภายในอาศัยจิตเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นภายนอก อาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยได้แก่สัมปยุทธะขันธ์และจิตตะสมุทานรูปอาศัยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสัมปยุทธะขันธ์และกระตาตารูปที่เป็นภายนอกอาศัยจิตเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะ สามประยุทธ์ขันและกระตาตารูปที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกอาศัยจิตเกิดขึ้นสามสิบสภาวธรรมที่เป็นภายนอกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยได้แก่ขันสองและจิตตะสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะขันสองและกระตาตารูปที่เป็นภายนอก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 จิตอาศัยขันธ์ที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะจิตและกระตัตารูปที่เป็นภายในอาศัยขันธ์ที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะจิตอาศัยหาไทยวัตถุที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่ขันธ์สองจิตและจิตตสมฐานุรูป อาศาาาัยขันหนึ่งที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะขันสองจิตและาาไไกระตาตารูปที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกอาศัยขันหนึ่งที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะจิตและจำปยุตตะขันอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นสามรอยยี่สิบสภาวธรรมที่เป็นภายในอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเกิดขึ้น พระเหตุปัจใจได้แก่ในปฏิสนธิขณะกระตตารูปที่เป็นภายในอาศัยจิตและสัมบุญจะขันเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นภายนอกอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นพระเหตุตุปัจใจได้แก่ขันสองและจิตตะสมุทารูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นภายนอกและอาศัยจิตเกิด ข, น ข, นขนนึ้ น, นและถึงอาศัยขันสองจิตตสมุทารูป อาศัยจิตและมหาภูตารูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันสองและกระตาตารูปที่เป็นภายนอกอาศัยขันหนึ Maggie, ่ง <Canyon> ที <S 2> <S 2> ่เป็นภายนอกและอาศัยจิตเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองกระตาตารูปที่เป็นภายนอกอาศัยจิตและมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันที่เป็นภายนอกอาศัยจิตและหาไทยวัตถุเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอก อาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นเพราะเหตุตปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันสองและกระตัตตารูปที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกอาศัยขันหนึ่งที่เป็นภายนอกและอาศัยจิตเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองอรมณปัจจัยสามร้อยยี่สิบเอ็ดสภาวธรรมที่เป็นภายนอกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในเกิดขึ้น พระรรมเนปัจจัยได้แก่สัมปยุจจขันอาศัยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสัมปยุจจขันอาศัยจิตเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นภายนอกอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นเพราะธรรมเนปัจจัยได้แก่ขันสองอาศัยขันหนึ่งที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะขันอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้น สภาวธรรมที่เป็นภายในอาศัยสภาวธรรมทสสี่เป็นภายนอกเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่จิตอาศัยขันธ์ที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นในปฏิสนที่ขณะจิตอาศัยขันธ์ที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นในปฏิสนที่ขณะจิตอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ขันธ์สองและจิต อาศัยขันหนึ่งที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะขันสองและจิตอาศัยขันหนึ่งที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะจิตและสัมปยุตตะขันอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นภายนอกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่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 ปัจญานุโลมสองสังคยาวาระสุทไนัามยย2่เหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณะปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระอนันตระปัจจัยมีห้าวาระสมนันตระปัจจัยมีห้าวาระสหชาตะปัจจัยมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระนิสยปัจจัยมีเก้าวาระ อุปาเสียปัจจัยมีห้าวาระปุเรชาตปัจจัยมีห้าวาระอาเจวนปัจจัยมีห้าวาระกรรมปัจใจมีเก้าวาระวิปากปัจใจมีเก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละเก้าวาระสัมำยุตตปัจจัยมีห้าวาระวิบิยุปัจใจมีเก้าวาระอธิปัจใจมีเก้าวาระนัติปัจจัยมีห้าวาระวิคตะปัจจัยมีห้าวาระ อวิคตะปัจจัยมีอก้าวาระสองปัจจยะปัจญจิยะหนึ่งวิพังขวาระนาเหตุตุปัจจัามอยยี่สิสาสภาวธรรมที่เป็นภายในอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในเกิดขึ้นเพราะนาเหตุตุปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะที่เป็นนาเหตุกะขตตารูปที่เป็นภายในอาศัยจิตเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นภายนอก อาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในเกิดขึ้นเพราะน่เหตุปัจจัยได้แก่สัสมปยุทธคขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปอาศัยจิตที่เป็นน่าเหตุทุขะเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็น น, น่เหตุทุขะสมปยุทธคขันธ์และกระตัตารูปที่เป็นภายนอกอาศัยจิตเกิดขึ้นโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทัจจะอาศัยจิตที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา และที่สหงราค้วยอุทจแจกเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะที่เป็นนะเหตุุุสมุุุุุุุุุุและุุุตตุตารูปที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกอาุุิุุุุุุุุุุุุสุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุนุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ เพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันสองและจิตตาสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งเป็นภายนอกเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะที่เป็นเหตุตกะพึงเพิ่มข้อความจนถึงอาศนิสัตยพรมโมหะที่โสหรคต ด, ด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคต ด, ด้วยอุทจฉาอาศัยขันที่สหโคตด้วยวิจิกิจฉาและที่โสหรคต ด, ด, ด, ด้วยอุทจฉาเกิดขึ้น สาภาวธรรมที่เป็นภายในอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นเพราะนะเหตุตุปัจได้แก่จิตอาศัยขันธ์ที่ไม่มีเหตุซึ่งเป็นภายนอกเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นนะเหตุตุกะจิตและขตตารูปที่เป็นภายในอาศัยขันธ์ที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นนะเหตุตุกะจิตอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอก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 จิตและสัมย so ุต we so okay. ิขันธ์อาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นสามรอยยี่สิบห้าสภาวธรรมที่เป็นภายในอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นเพราะนเหตุตุปัจได้แก่ในปฏิสนธิขณะที่เป็นเหตุตุกะกระตั้ตารูปที่เป็นภายในอาศัยจิตและสัมยุติขันธ์เกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นภายนอกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเกิดขึ้น เพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันสองและจิตตาสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งเป็นภายนอกและอาศัยจิตเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองจิตตสมุทฐานรูปอาศัยจิตที่เป็นในเหตุตุกะและอาศัยมหาภูตารูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นอนเหตุตุกะขันสองและกระตัลตารูปที่เป็นภายนอกอาศัยขันหนึ่งที่เป็นภายนอกและอาศัยจิตเกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะที่เป็นเหตุกะกระตาตารูปที่เป็นภายนอกอาศัยจิตและมหาปูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นเหตุกะขันธ์ที่เป็นภายนอกอาศัยจิตและอาไทยวัตถุเกิดขึ้นโมหะที่โสหรโคด้วยวิจิกิจฉาและที่โสหรโคด้วยอุททะจะอาศัยขันธ์ที่โสหรโคด้วยวิจิกิจฉาที่สหรโคด้วยอุทัจะและอาศัยจิตเกิดขึ้น สภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นเพราะน่เหตุปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะที่เป็นเหตุตุกะขันสองและกระตาตารูปที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกอาศัยขันหนึ่งที่เป็นภายนอกและอาศัยจิตเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองนอารมณปัจจัย3ามยยี สภาวธรรมที่เป็นภายในอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในเกิดขึ้นเพราะนะอารรมณปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะกระตัตตารูปที่เป็นภายในอาศัยจิตเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นภายนอกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในเกิดขึ้นเพราะนอารรมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทนานรูปอาศัยจิตเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกระตัตตารูปที่เป็นภายนอก อาศัยจิตเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในเกิดขึ้นเพราะนอารรมณปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะกระตัารูปที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกอาศัยจิตเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นภายนอกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นเพราะนอารรมณปัจจัยได้แก่จิตตะสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นภายนอกเกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะกระตัตตารูปที่เป็นภายนอกอาศัยขันธ์ที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นภาไทยวัตถุอาศัยขันธ์ที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นและถึงอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเพื่เพิ่มข้อความจนถึงอาศัยสัจธรรมสภาวธรรมที่เป็นภายในอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นเพราะนะอารมณ์ปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณนะกระตัตตารูปที่เป็นภายใน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 เพราะอารมณปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะประตัทราลูปที่เป็นภายในอาศัยจิตและสมัมยุญแตขันเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นภายนอกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นเพรา ะ, ะอารมณปัจจัยได้แก่จิตตสม Ahmad, ุทานรูปอาศัยขันที่เป็นภายนอกและอาศัยจิตเกิดขึ้นจิตตะสมุทานรูปอาศัยจิตและมหาภูตรูปเกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะเพิ่งเพิ่มเป็นสองวาระสภาวะธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นเพราะนัอารรมณปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะกระตาตารูปที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกอาศัยจิตและสัมพยุติขันเกิดขึ้นยอ่อหนาชาณปัจจัยสามรอยี่สิบปด สภาวธรรมที่เป็นภายนอกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในเกิดขึ้นเพราะหน้าชานปัจจัยได้แก่สัมปยุตตะขันอาศัยจักรุวิญญาณเกิดขึ้นและถึงอาศัยกายวิญญาณสภาวธรรมที่เป็นภายนอกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นเพราะน้าชานปัจจัยได้แก่ขันสองอาศัยขันหนึ่งที่โสหรโคด้วยจักขุวิญญาณเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสอง ทสหรคตด้วยกายวิญญาณที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีโอตุเป็นสมุทฐานสำหรับเหล่าอสัญยาสัตตพรมสภาวธรรมที่เป็นภายในอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นเพราะณชาณปัจจัยได้แก่จักขุวิญญาณอาศัยขันที่สหรคตด้วยจักขุวิญญาณเกิดขึ้นกายวิญญาณอาศัยขันที่สหรคตด้วยกายวิญญาณเกิดขึ้น สภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเกิดขึ้นเพราะนะชาเนปัจัยได้แก่ขันสองและจักขวิญญาณอาศัยขันหนึ่งที่โสฮะรโคด้วยจักขวิญญาณเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองอาศัยขันหนึ่งที่โสโหรโคด้วยกายะวิญญาณสภาวะธรรมที่เป็นภายนอกอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเกิดขึ้น พระณนชาเนปัจจัยได้แก่ขันสองอาศัยขันหนึ่งที่สหรคตรด้วยจกักขูวิญญาณและอาศาัยจกักขูวิญญาณเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองที่สหรโคตด้วยกายะวิญญาณพึงผูกเป็นจักกะในสองปัจยปัจจนยะสองสังขยาวาระสามรอยี่สิบเก้านเหอตุ ป, ปั จ, จมีเก้าวาระเนอรัมณปัจใจมีเก้าวาระ ณอธิปติปัจใจมีเก้าวาระณอนันตระปัจใจมีเก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละเก้าวาระนกรรมะปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจใจมีห้าวาระณอาหาระปัจจใจมีหนึ่งวาระณอินทรียะปัจจัยมีหนึ่งวาระณฌานะปัจจใจมีห้าวาระนมขะปัจใจมีเก้าวาระณสัมปยุตตปัจใจมีเก้าวาระ นบิปิยุตตปัจใจมีห้าวาระโนนัติปัจใจมีเก้าวาระโนวิคตะปัจใจมีเก้าวาระ 3. มปัจญานุโลมปัจญียะ3ามรอยสามเนออารมณปัจัยกบเพตุปัจใจมีเก้าวาระนัอธิปฏิปัจใจมีเก้าวาระย่อสปัจญะปัจญียานุโลม331้อยมเอ อารมณะปัจจัยกับนัเหตุถูปัจจัยมีห้าวาระอนันตระปัจจัยมีห้าวาระสมนันตระปัจจัยมีห้าวาระสหาชาติปัจจัยมีเก้าวาระย่อแม้สหาชาติวาระเหมือนกับปฏิจจวาระ สิบอาชาติกะทุกะสปัจญะวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจจัยสาม้ยสสองสภาวธรรมที่เป็นภายในทำสภาวธรรมที่เป็นภายในให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระเหมือนกับปฏิจจวาระสภาวธรรมที่เป็นภายนอกทำสภาวธรรมที่เป็นภายนอกให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสองและจิตตสมุทฐานรูปทำขันหนึ่งที่เป็นภายนอกให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสองในปฏิชนที่ขณะพึงเพิ่มเป็นสองวาระจนถึงมหาภูต ร, รูปภายในขันที่เป็นภายนอกธรรมทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นภายในทำสภาวะธรรมที่เป็นภายนอกให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ จิตทำขันที่เป็นภายนอกให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตทำมัทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะเพิ่มเพิ่มเป็นสองวาระสภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกทำสภาวธรรมที่เป็นภายนอกให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุกปัจจัยได้แก่ขันสองและจิตตสมทานรูปทำขันหนึ่งที่เป็นภายนอกให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสอง และสัมปยุตตขันรำอภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะเพิ่มเพิ่มเป็นสองวาระ3ามสภาวะธรรมที่เป็นภายในทำสภาวะธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะกระตัดตารูปที่เป็นภายในทำจิตและัมปยุตตขันให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นภายนอก ทำสภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยได้แก่ขันสองและจิตตสมุทฐานรูปทำขันหนึ่งที่เป็นภายนอกและทาจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปทําจิตและมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันที่เป็นภายนอก ท, ทําจิตและหาไยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะเพิ่เพิ่มเป็นสามวาระ สภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกทำสภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุกปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันสองและประตัตตารูปที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกทำขันหนึ่งที่เป็นภายนอกและทำจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสองอารมณะปัจจัยสามร้อยสาสิบสี่ สภาวธรรมที่ 1955, เป็นภายในทำสภาวธรรมที่เป็นภายในให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอรมณะปัจจัยได้แก่จักขวิญญาณทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำกายายตนะสภาวธรรมที่เป็นภายนอกทำสภาวธรรมที่เป็นภายในให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอรมณะปัจจัยได้แก่ขันที่สหะรโคด้วยจักขวิญญาณทำจักขายตนะและทำจักขวิญญาณ ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำกายายตนะละถึงสำปรยุติขันธ์ทำจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะสภาวะธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกทำสภาวะธรรมที่เป็นภายในให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอรมะณะปัจจัยได้แก่จะขูวิญญาณและสำปรยุติขันธ์ทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำกายายตนะละถึง สภาวะธรรมที่เป็นภายนอกทำสภาวะธรรมที่เป็นภายนอกให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอรมณะปัจจัยได้แก่ขันสองทำขันหนึ่งที่เป็นภายนอกให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันสองในปฏิสนธิคณะขันที่เป็นภายนอกทรรมไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นภายในทำสภาวะธรรมที่เป็นภายนอกให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น เพราะอารมณปั จ, จัยได้แก่จิตทำขันที่เป็นภายนอกให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตธรรมทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะเพิ่เพิ่มเป็นสองวาระสภาวะธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกทำสภาวะธรรมที่เป็นภายนอกให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจัยได้แก่จิตและจำปุจจขันธรรมทยวัตถุให้เป็นปั จ, จัยเกิดขึ้น ในปฏิสนธิขณะพึงเพิ่มเป็นหนึ่งวาระสาม้ยสามสิบห้าสภาวธรรมที่เป็นภายในทำสภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณะปัจจัยได้แก่จกักขวิญ ญ, ญาณทำขันที่สหรโคด้วยจกักขวิญญาณและทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นที่สหรโค ด, ด้วยกายะวิญญาณและถึงสภาวธรรมที่เป็นภายนอก ทำสภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารหันต์ปัจจัยได้แก่ขันธ์สองทำขันธ์หนึ่งที่สฮรักโกด้วยจักขคูวิญญาณทำจักขายตนะและจักขคูวิญญาณให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันธ์สองที่สหรคกด้วยกายวิญญาณขันธ์สองทำขันธ์หนึ่งที่เป็นภายนอกและทำจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันธ์สอง ขันที่เป็นภายนอกทําจิตและธรรมทาตวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะพึงเพิ่มเป็นสองวาระสภาวะธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกทำสภาวะธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณะปัจจัยได้แก่ขันสองและจักขูวิญญาณทําขันหนึ่งที่โสหรโคด้วยจักขูวิญญาณและทําจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ละถึงทำขันสองย่อหนึ่งปัจจญานุโลมสองสังขยาวาระสามร้ยสาสิบหเฮตุปัจจัยมีเก้าวาระอารามณปัจจัยมีเก้าวาระอาทิปฏิปัจจัยมีห้าวาระอนันตระปัจจัยมีเก้าวาระสมนันตระปัจจัยมีเก้าวาระสหชาตะปัจจัยมีเ้าวาระอัญญะมัญญปัจจัยมีเ้าวาระ นิสยาปจจัยมีเก้าวาระอุปาณิสยาปจจัยมีเก้าวาระปุเรชาตะปัจจัยมีเก้าวาระอเจวันะปัจจัยมีเก้าวาระกัมมะปจัยมีเก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละเก้าวาระอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระ 2. ปัจญาปัจญายะหนึ่งวิพังควาระน่เหตุปจัยสา้ยสามสิบ สภาวธรรมที่เป็นภายในทาสภาวธรรมที่เป็นภายในให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะที่เป็นเหตุกะกะกตัตารูปที่เป็นภายในทำจิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจากขุวิญญาณทำจากขาญตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นยอ่อพึงทำเป็นก้าววาระอย่างนี้พึงเพิ่มปัญจวิญญาณด้วยเฉพาะสามวาระมีโมหะ ส ป, ปัจยปัจญิยะ 2. สังขยาวาระสุทไนัย338สนเหอตุ ป, ปัจใจเมฆ้าวาระนะอารมณปัจใจเมฆ้าวาระนะอะัอธิปติปัจใจเมฆ้าวาระนัอนันตระปัจใจเมฆ้าวาระนัสมนันตระปัจใจเมฆ้าวาระนัอัญญมัญญาปัจใจเมฆ้าวาระนัอุปนิสัยปัจใจเมฆ้าวาระ นาปูเรชาตปัจจัยมีเ้าวาระนปัจชาชาตะปัจจัยมีเ้าวาระนอเสวนปัจจัยมีเ้าวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีห้าวาระนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชานะปัจจัยมีเ้าวาระนมัคคปัจจัยมีเ้าวาระนาสัมปยุตตปัจจัยมีเ้าวาระ นวิบิยุตะปั จ, จัยมีห้าวาระโนนัตถิปัจจมีเก้าวาระโนวิคตะปัจจมีเก้าวาระการนับสองอย่างนอกนี้และนิสยวาระพึงทำอย่างนี้หกสิบหกอชัดติกะทุ ก, กะห้าสังสัถาวาระหนึ่งปัจญานุโลมเป็นต้นสามร้อยสามสิบเก้าสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเกิดรกับสภาวธรรมที่เป็นภายใน เพราะเหตุกปัจัยได้แก่สัมปุญจขันเปิดระคนกับจิตในปฏิสนทิขณะสัมปุญจขันเปิดระคนกับจิตสภาวะธรรมที่เป็นภายนอกเปิดระคนกับสภาวะธรรมที่เป็นภายนอกเพราะเหตุกปัจจัยได้แก่ขันสองเปิดระคนกับขันหนึ่งที่เป็นภายนอกละถึงเปิดระคนกับขันสองในปฏิสนทิขณะสภาวะธรรมที่เป็นภายในเปิดระคนกับสภาวะธรรมที่เป็นภายนอก เพราะเหตุกปัจจัยได้แก่จิตเกิดรกคนกับขันที่เป็นภายนอกในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่เป็นภายในและที่เป็นภายนอกเกิดรักคนกับสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเพราะเหตุกปัจจัยได้แก่ขันสองและจิตเกิดรักคนกับขันหนึ่งที่เป็นภายนอกละถึงเกิดรกคนกับขันสองในปฏิสนธิขณะสภาวธรรมที่เป็นภายนอกเกิดรกคนกับสภาวธรรมที่เป็นภายใน และที่เป็นภายนอกเพราะเหตุตุปปัตจจย์ใได้แก่ขันสองเกิดรัคนกับขันหนึ่งที่เป็นภายนอกและรักคนกับจิตและถึงเกิดรัคนกับขันสองในปฏิสนธิขณะยอ่อเหตุตุปปัตย์ใมีห้าวาระอารมาณปัจจัยมีห้าวาร ะ, อ, าร ะ, จจาระอธิปฏิปัจจัยมีห้าวาระทุปปัจจัยมีปัจจัยจละห้าวาระอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระ เพิ่เพิ่มบทอนุโลมสภาวะธรรมที่เป็นภายนอกเกิดรคนกับสภาวะธรรมที่เป็นภายในเพราะนะเหตุตุปปัจจัยพึงเพิ่มเป็นห้าวาระอย่างนี้เฉพาะสามวาระมีโมหะนะเหตุตุปปัจจัยมีห้าวาระนะอธิปติปัจจัยมีห้าวาระนะัุเรชาตะปัจจัยมีห้าวาระนะัจฉาชาตะปัจจัยมีห้าวาระนะอเสวณะปัจจัยมีห้าวาระ นักธรรมะปัจจัยมีสมวาระนวิปากะปัจจัยมีห้าวาระนชานะปัจจัยมีห้าวาระนัมข้าปัจจัยมีห้าวาระนสัมยุตะะยตะปัจจัยมีห้าวาระนวิปุตตะปัจจัยมีห้าวาระเพึงเพิ่มบทปัจญญาการนับสองอย่างนอกนี้และสัมยุตตะวาระพึงทำอย่างนี้